ทุกคนตอนเย็นวันนี้ที่เราทำมัดเย็นจบแล้วก็มีการแสดงธรรมให้แนวความคิดปฏิบัติธรรมสำหรับพวกเราเคยปฏิบัติธรรมกันมานานแต่ตัวของอาตมาและตัวของผมก็ไม่ได้ค่อยมาทางนี้นานพาอสมควร แต่วันนี้ก็มาพบกันก็ต้องพูดอย่างเดิมเพราะตัวหลวงพ่อไดีไม่มีอะไรมีเต่สิ่งเดียวเท่านั้นที่จะนำมาเล่าให้พวกเราได้นำเอาไปปฏิบัติ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอังคารเป็นวันที่สิบเก้าพุทธิการรษ พฤศจิกา 2,528 แต่ให้พวกเราตั้งใจฟังกันเพราะว่านานแล้วไม่ได้พูดธรรมะให้ญาติโยมฟังก็เรื่องกับญาติโยมบางคนอาจจะเข้าใจบางคนอาจจะไม่เข้าใจพระสงฆ์องค์เจ้าก็เช่นเดียวกันบางคนก็อาจ ร, าาจรู้บางคนก็อาจไม่รู้ ก่อนที่จะไม่ได้มาสำนักโมก็คือมีอุปสรรคที่ตัวหลวงพ่อเป็นโลกถูกผ่าตัดไปสองครั้งครั้งแรกผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชก็ไม่หายทรมานตัวอยู่เก้าเดือนสิบเดือนหนักกว่าเดิมสุดไปนึกว่า ตัวของอาตมาแทบจะเอาตัวไม่รอดครั้งที่สองพอดีเปิดอบรมออกพรรษาแล้วเปิดอบรมวันสุดท้ายเนี่ย<ม>ก็เข้าโรงพยาบาลที่เมืองเลยกลับไปว่าจะไปผ่าที่โรงพยาบาลศิริราชอีกพักหนึ่งพอดีไปถึงที่นั่นน่ะหมอว่าจะทำทุรการผ่าตัดให้อีก<ม>ก็ หมอก็ว่าทาอย่างนี้มันยังทาไม่ได้เลยอาตมาไขอยู่ตั้งห้าวันแล้วหมอทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีไข่เลนแต่ตัวคนไข้ทำไมรู้จักหมอเลยไม่รู้จักว่าไข้เอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ลาบากเลยพยายามให้หมอผ่าตัดให้หมอก็เลยบอกว่าทำไม่ได้อีกตักสิบวันอะองเลย ก็เลยมีหมอที่โรงพยาบาลส ม, มิติเวชมาเยี่ยมตามปกติหมอทางโรงพยาบาลส ม, มิติเวชก็มาเยี่ยมทุกวันแต่เขาก็ไม่พูดอะไรวันที่จะให้ผ่าตัดะหมอทางโรงพยาบาลซีริลา่าก็เลยไม่ทําไม่ทําก็เลยพูดกันอีกพักหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็จะขอลากลับไปโรงพยาบาล สมิติเวททางโรงพยาบาลสี่แรกก็จะกลับผ่าจากอีกวันนั้นนะ่ะเราก็ตัดสิในใจเอ๊ะที่แล้วนี่บอกว่าจะไม่ทำํำพอเดทตกลงจากพยาบาลอ่ะไปพยาบาลสามิติเวททางนี่ก็จะทําคิดไปคิดมาเหมือนจะทําทรงเดทนี่นะก็เลยตัดสิในใจให้โรงพยาบาลสามิติเวททาเขาก็เลยมารับไปมารับไปโรงพยาบาลสามิติเวทรับไปตอน เราสี่โมงเนี่ยสี่โมงเย็นสี่โมงเช้าก็เป็นนอนข้างคืนตอนเช้าเขาไปผาไปพาเขาตัดอันนี้พูดเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะอย่างค่อยพูดธรรมะแต่ทางนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาใช่ไหมทางนี้กันเนี่ยยังไม่ต้องเอาเอาเอาตั้งไปก็ได้ยังไม่ต้องเอาก็เลยหมอเขาตกลงพาตัดพาตัดเขาเอาเนื้อออกมาประมาณกิโลห้ากรมัมอย่างน้อยที่สุด อาตมาเขาจะวัดสองกิโลอโอ้โหเนื้อนี่มันลายปนนนั้นรนะ่างกายแล้วเนี่ยไม่มีสิ้นดีจริงๆพอดีกเขาตัดเนื้ออันนั้นออกมาแล้วเอามาให้ดูนี่เนื้อหลวงพ่อเป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาเล่าให้ฟังล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ตายเนี่ยเอาเนื้อออกมาไม่ตายเลยตัดกระเพาะ อ, ออกมาตัดลําไส้ออกมาเท่าอะไรมันมันอยู่ในที่เป็นเนื้อจริงจริงที่เป็น ตัวโตๆประมาณกิโลห้าขีดไม่ขาดนุ๊เจ็บเป็นสองกิโลบันนี้เขาตัดเป็นสิ้นเป็นอันท่อปลุกมือท่อกำปั้นเนี่ยมีมากอันนั้นน่ะเอามารวมกันโอ้โหอาตมาหน้าเสียวใจไอ้คนนี่เป็นได้ไม่ตายพาตัดหลังตัวอาตมานี่เก้าคนสิบกับอาตมาผาเรื่องโรคอันนี้ตายไปหมดเลย ยังเหลือใจจะมาคนเดียวก็<อ>ก็โชคดีเราไม่ตายจริงจะได้กลับมานํานะเราธรรมะให้พวกที่สํานักโมกข์วัดนารามฟังปีที่เขตั้งใจว่าจะมาพูดจริงๆแหละเพราะว่าได้รบปากกับบางคนว่าขาดจากสํานักโมกไปนานแล้วก็ปีนี้ก็ต้องมาเลยบอกจะม า, านะการปฏิบัติธรรมะแบบนี้อ่า หันเข้าการปฏิบัติธรรมะเตรียมตัวและแัดเนี้ยการปฏิบัติธรรมะแบบที่ตัวของอาตมาเอามาใช้กับชีวิตของตัวอาตมาเองเนี่ยเห็นว่ามันมีค่ามีคุณมากการกระทําอย่างนี้จะถือว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาก็ถูกต้องเช่นเดียวกันหรือเราจะไม่พูดว่าไม่ใช่เป็นการเจริญวิปัสสนาก็ถูกเช่นเดียวกัน เพราะว่าให้เรารู้สึกตัวให้มากการเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้รู้สึกตัวแล้วก็ให้ตื่นตัวจิตใจมันนึกคิดก็ให้รู้สึกกับจิตใจมันนึกคิดแล้วให้ตื่นใจนึกคิดอันนี้พูดกันเหมือนเดิมนะทีแรกที่เข้ามาทีนี้ก็พูดเรื่องรูปนามแต่วันนี้ก็จะพูดน้อยเรื่องรูปนามเพราะว่า ได้พูดกันมานานแล้วจะพูดกันเรื่องจิตใจให้มากเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติทางจิตใจแต่คนทุกคนมันมกายกับใจเดียววับลูกกับน้ำลูกในีทุกคนมองเห็นส่วนจิตใจนั่นมองไม่เห็นตัวเลยจึงอาตมาเคยพูดว่าลมหายใจโกรธคนเป็นบ้างไหม ดีใจเสียใจเป็นบ้างไหมหลมหายใจเนี่ยตัวของอัตมาเองเนี่ยเคยถามตัวอัตมาเองการดีใจเสียใจโกรธเกลียดไม่แสลมหายใจตัวนึกตัวเคยดต่างหากนี่ตัวนึกตัวคิดทำไมเจอมันโกรธเกลียดเป็นมันอาศัยอยู่ที่ไหนก็คือจิตใจกกว่าได้หรือความที่ไม่รู้สึกตัวกกว่าได้ แล้วเราจะพูดยังไงก็ว่าได้เพื่อเมื่อจิตใจมันนึกมันคิดขึ้นมาเราไม่รู้อันที่เราไม่รู้นั่นแหละมันพาให้เราเป็นทุกข์เข้าใจอย่างนี้เรียกว่าควรมไม่รู้แต่มันรู้มันคิดเป็นเรื่องเป็นราวไปมันคิดไปเราเรารู้คิดแต่เราไม่ได้เห็นผมคิดแสดงว่าเราไม่เห็นผมคิดเราหรือว่าไม่รู้ผมคิดก็ว่าได้เราเข้าไปในควมคิดแล้ว เมื่อมันเข้าไปในความคิดแล้วก็เหมือนกับที่เราเข้าไปอยู่ในถ้าเราเข้าไปอยู่ในถ้ำเราจุดไฟมันก็มีแสงเมื่อไฟดับก็คมมืดเข้ามาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราไม่รู้สึกแล้วความคิดมันก็จะลากเราไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้เห็นความคิดสภาพภาวะของมันคิดนั้นเราไม่เห็น วันนี้ก็บอกแล้วว่าจะไม่ได้พูดเรื่องรูปนามจะพูดเรื่องกลุ่มคิดให้ฟังตกเย็นมาอาตมาจึงรู้กลุ่มคิดเราเห็นกลุ่มคิดเข้าใจกลุ่มคิดได้ตอนที่ใจเห็นกลุ่มคิดคือมันคิดมาครั้งแรกอาตมาไม่รู้นึกว่าเป็นคนมาซุกหรือมาผักตรงข้างเนี่ยมองหาคนที่ไหนก็ไม่เห็นแล้ก็เดินกลับไปกลับมาเดี๋ยวคิดขึ้นมาอีก เขาเลยรู้ความคิดก็มันคิดอันนี้เขาเลยรู้จักความคิดแต่ยังไม่เห็นกับคิดเมื่อมันคิดแล้วบัดนี้ก็คิดมาครั้งที่สามเนี่ยก็เลยเห็นรู้เข้าใจสภาพมันคิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้สภาพที่มันไม่คิดแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะว่ายังไงก็ไม่ได้เพราะมันแยกไม่เป็นอันนี้แล้วก็มาทําเอาเหมือนแมวกับหนู แมวกับหนูเนี่ยมันเป็นของที่ตรงกันข้ามมันเป็นของศัตรูกันก็ว่าได้หรือเป็นของปรับปักกันก็ว่าได้คำว่าปรับปักนี่อาตมาจะเพิ่งรู้แต่ว่าของศัตรูกันเนี่ยรู้มาตั้งแต่นานเพราะว่าพ่อแม่เคยสอนของที่ร่วมทางกันไม่ได้เดียวว่าเป็นศัตรูซึ่งกันและกันคำว่าปรับปักเนี่ยเพิ่งมารู้เมื่อเข้าไปอยู่กรุงเทพนี่เองเป็นอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามแล้วก็มาพูดภาษาเพืนบ้านเราเดียวว่าเป็นศัตรูกันโตลู่คิดกับที่มันคิดมันเป็นศัตรูกัน <c oughs> ทาไมเป็นศัตรูแต่พอดีมันเห็นคิดความคิดมันทูกหยุดทันทีเมื่อใดเราไม่เห็นความคิดลู้ความคิดมันก็พาไป ท, ทันทีเหมือนกับที่เคยพูดให้ฟังเรามีสุนัข ก, ก็ตาม หลือมีวัวควายก็ตามบ้านเขาได้หัวควายเมื่อพูดถึงวัวควายแล้วคนภาคกลางฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยพูดว่าวัวควายวัวควายเนี่ยถ้าจะเป็นตัวเล็กก็ตามเราพูกคอมั น, เ, นเอาเสื้อพูกคอวัวคอควาย ม, มันตีเขียนมันถ้าจะเป็นสุนัข ก, ก็ตามพอได้มันวิ่งไปเราดึงมันไม่ได้มันก็ตัวเราก็ต้องติดมันไป วันนี้เราจะเอาสนะหัวควายหรือสุนัขนั่นก็ต้องวิ่งให้มันเร็วพอดีเคลียรมันปั๊บเราขึ้นหน้ามันดึงหลอนถกเสื้อเราแล้กวก็หันหน้าเข้ามาหาเรา ท, าทันทีเมื่อมันหันหน้าเข้ามาหาเราเราก็ดึงมันได้ปเนี่ยเราจะจูงมันไปที่ไหนก็ได้เลยเข้าใจอย่างนั้นสภาพความเคลดก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นเรารู้เราเข้าใจแล้ว มันจะปรุงแต่งเรื่องสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์นั่นอ่ะมันปรุงไปไม่ได้เมื่อมันปรุงไปไม่ได้อย่ันนี้ก็เลยพยายามทําดูผมคิดเนี่ยพอเดีมันคิดมาก็เห็นก็รู้เหมือนกับคนสองคนที่นอนกระชิดกันนี่แหละพอดีคนนึงพิคคิงคนที่ไม่ได้พิคคิงคนรู้สึกตัวทันที สมมติเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนหนังสือจังหวะมีแต่สมมติมาพูดให้ฟังเท่านั้นเมื่อทําไปทํามาก็เลยรู้เห็น <c oughs> สภาพความเป็นอยู่ของความทุกข์จริงๆแต่ที่แรกเห็นความทุกข์เรื่องรูปนามในทุกอันนี้สมมุติแต่ไม่เห็นสภาพความทุกข์ทางใจนี่แหละคือความโกรธเรียกว่าโทสะความหลงเรียกว่าโมหะ ข่มโลกเราว่มโลกเราเรียกว่าโลภะแต่สมัยเมื่ออาตมาเห็นรู้เข้าใจนั้นต้องเห็นเป็นวัตถุก่อนวัตถุหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ในโลกที่มีนอกตัวเราหรือมีในตัวเราที่มันมีนั่นแหละเราให้ซื้อเป็นวัตถุทั้งนั้นเมื่อรู้เข้าใจพอที่จะเอามา พูดให้คนอื่นฟังได้ก็เลยสิ่งที่กําลังเห็นกําลังรู้กําลังสัมผัสอยู่นั้นเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ถึงจะมีในตัวเราก็เป็นปรมัตถ์ถึงจะมีนอกตัวเราก็เป็นปรมัตถ์เลยเข้าใจอย่างที่พูดนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เห็นรู้เข้าใจสัมผัสอย่างนี้ได้ก็เลยเห็น รู้สภาพรวมเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวของจิตใจเมื่อเป็นอาการหรือสภาพหภาวะของจิตใจมันเป็นอย่างนี้ก็เลยเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้น้ำหนักตัวของตัวเองนี่เลยร้อยกิโลคล้ายๆคยเป็นเบาขึ้นมาไม่คล้ายๆแต่มันต้องเบาขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยต้องหกสิบกิโลเข้าใจอย่าง แต่ในขณะกําลังเดินไปเนเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเบาขึ้นมาแปดสิบกิโลยังเหลืออยู่ภายในจากยี่สิบกิโลนในขณะนั้นนี่ยก็เลยนึกได้ว่าโอ้เป็นพระได้แล้วเนี่ยคุดบา้บาเขานั่นแต่ตัวเองยังเป็นโยมอยู่แต่ก็นึกว่าตัวเองเป็นพระได้อย่างนี้นี่แหละความเป็นพระจริงว่ามันมีอยู่กับคนทุกคนไม่มีการยกเว้นโดยเฉะจะเป็นคนไทย คนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาให้ว่าซื้อว่าคนแล้วน่ะถ้าพูดภาษารู้กันแล้วปฏิบัติแล้วเป็นได้ทุกคนอ่านหนังสือก็เป็นอ่านหนังสือเป็นก็ปฏิบัติรู้เหมือนกันอ่านหนังสือไม่เป็นปฏิบัติก็รู้เช่นเดียวกันคนจนปฏิบัติก็รู้ก็เห็นเช่นเดียวกันคนรวยปฏิบัติก็เห็นก็รู้เช่นเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ความทุกข์นั่นแหละจะลดน้อยไปทันทีเข้าใจอย่างนั้นเมื่อความทุกข์ลดน้อยไปกระทำการทํำงานไปตามหน้าที่เช่นเป็นพ่อบ้านแม่เมื่แม่บ้านก็ต้องทําการทํางานไปตามหน้าที่เช่นเราผู้เป็นลูกเป็นหลานก็ทําการทํางานไปตามหน้าที่เมื่อทุกคนรู้จักหน้าที่อันนี้แล้ว เก ว, ว่างานงานก็ไม่สับสนไม่วุ่นวายความทุกข์ก็เลยไม่เกิดขึ้นเข้าใจว่าความเป็นพระหรือลักษณะของพระต้องอยู่อย่างนี้กินอย่างนี้เข้าใจอย่างนั้นในขณะนั้นแหละไม่นานเข้าใจว่าจิตใจตัวเองเปี้ยนไปสองพักเนี่ยพูดความจริงเพราะว่านานแล้วไม่ได้มาพูดให้ฟัง วันนี้เขาต้องพูดความจริงใจเพราะบางทีอาจจะตายเร็วๆก็ได้เพราะว่ามันยังเป็นโลกอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยตั้งใจพูดเหตุผลในขณะนั้นเนี่ยจิตใจเขาจะเปลี่ยนไปสองพักก่อนที่จะเปี้ยนไปนั่นก็พักที่สองก็เลยมาเห็นรู้เข้าใจสัมผัสเรื่องกิเลสตัณหาอุปทานกลับนี่เลยแต่เราพูดกันได้ แต่มันไม่เห็นมันไม่รู้มันไม่เข้าใจพวกนักศึกษาการเรียนจากตำรับตำรา lineup, นั่นดีแล้วแต่มันยังอาศนะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้มันเกิดเอาศนะได้จริงๆนี่เป็นอย่างนั้นเม <c oughs> ื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนทำความรู้สึกตัวตื่นตัว ทำคนรู้สึกใจตื่นใจไม่ต้องนอนหลับทับสิทธิ์จริงนะคนเรามีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเรารู้ว่าลูกขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเราพูดกันอย่างขันห้าขันขันสี่ขันขันขันเดียวเราเคยพูดกันไม่รู้แต่ก่อนไม่รู้อาตมา วันนี้ก็จะนำมาเล่าให้ฟังขันห้าขันบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้ผู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนทางตำรับตำรามานั้นรู้แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะเมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้ถึงรู้ก็ยังไม่เข้าใจต่อเมื่อมาปฏิบัติมันมีความสัมผัส แนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เลยมีความเข้าใจว่าขันห้าแต่ก้อนขันห้าก็เข้าใจว่าดอกไม้ห้าคูเพียนห้าคูเข้าใจอย่างนั้นบ้านมาเห็นจริงๆแล้วขันห้าก็คือรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาขันวิญญาณขันอันนีกว่าขันห้าขันซี่บัดเนี่ยเคยพูดให้ฟังไม่ต้องเอารูป เอาเวทนาขันเอาสัญญาขันเอาสังขารขันเอาวิญญาณขันเป็นขันสี่คือนามมันคิดตัวที่รู้ควมคิดนั่นะจะว่านามก็ได้จะว่าปัญญาก็ได้หรือจะว่าสติก็ได้จะว่าสมาธิก็ได้เพราะมันเป็นสมมุติพูดให้ฟังก็เลยรู้จากขันสี่ขึ้นมาในตัวเองขันสี่คือตัวเวทนา ไม่มีลูกแต่มันโตมันคิดเงี้น่ะมันเป็นรูปผมคิดก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจอย่างนี้เมื่อเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้ก็เลยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้จึงไม่หลงไม่ลืมตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงบันนี้เมื่อมีบุคคลใดมาเอ่ยถึงอารมณ์ของกิจปัสนานั่งเข้าใจทันทีเห็นรู้อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อเห็นรู้อย่างนั้นจะหาว่าเป็นอุปทานไหม มันเป็นเรื่องสมมุติคําว่าอุปทานคำว่าอุปทานหมายถึงสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วไปยึดคําพูดของคนนั้นคนนี้เนี่ยไปยึดคําพูดเมื่อพูดถึงการยึดคําพูดนั้นสมมุติให้ฟังเรามีกระจกใบใหญ่ๆที่มาวางไว้ที่นี้ก็ได้แล้วทุกคนจะมองเห็นหน้ากระจกรูปตัวเองต้องเข้าไปอยู่หน้ากระจกทั้งหมดทุกคนเลย แต่กระจกนั้นน่ะมันไม่รู้มันมีความทุกข์มันไม่รู้มันหนักแต่มันมีรูปติดอยู่ในหน้ากระจกก็ตามกระจกมันไม่รู้เลยพอดีง่ายกระจกหนีไปรูป ก, ก็ไม่ไปติดเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อเราสัมผัสเราเห็นแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นความทุกประเภทยึดมั่นถือมั่นนั่นน่ะจะมีน้อยถ้ามีถ้าไม่มีก็เรียกว่าไม่มีแต่คนนั้น ยังทําการทํางานพูดคิดกินข้าวกินน้ำไปไหนมาไหนได้สะดวกสบายใครจะตำหนิก็รู้จักว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงสมมุติพูดขึ้นมาเท่านั้นใครมาแะนะเสริญเราสิ่งนั้นก็เป็นเพียงสมมุติขึ้นมาพูดเท่านั้นดีชั่วอยู่กับคำพูดคนไหมไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดของคน ดีสั่วนั้นขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเองก็เลยเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเทวดานั้นจึงเป็นคนมีตาทิพย์จึงจะเห็นเทวดาได้คนใดไม่มีตาทิพย์ไม่สามารถมองเห็นเทวดาได้จริงๆอันนี้เข้าใจอย่างนั้นเทวดาจะก่อนเข้าใจว่าตายแล้วต้องไปเกิดเมืองสวรรค์อันนั้นก็จริง บัดนี้ให้เราเข้าใจว่าเทวดานั้นคือคนธรรมดานี่เองถ้าจะพูดตามตัวหนังสือและครูบาอาจารย์เคยสอนมานั่นก็เรียกว่าเทวดานั้นก็สมมุติขึ้นมามีสมมุติกาเทวดาอุปปติกาเทวดาวิสุทธิเทวดานีบัดนี้เทวดาถ้าจะพูดไปใมันก้วงประก็คือผู้มีอำนาจก็เรียกว่าเป็นเทวดา แต่เมื่อมาพูดตามธรรมะหลักวิถีที่ทำความรู้สึกตัวเนี่ยคือบุคคลที่มีความรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นภายในจิตใจอันนั้นเป็นเทวดาเพราะว่ามีความละอายอยู่ภายในจิตใจเลยเจอเห็นจิตใจจริงๆเรื่องนี้นั่งย่ขณะนี้ก็รู้ก็เห็นก็เข้าใจทุกคนถ้ารู้อย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่ามีความละอายแก็งใจนั่นเองแก่เรื่องศีลบ่นเนี่ยแต่ก่อนนั้นเคยรักษาอุโบสถศีลมาแต่เมื่อเป็นหนุ่มก็เคยรักษามาไม่เข้าใจอันนี้ศีลยังไม่ปรากฏที่ตําลาพูดกันเอาไว้ว่าศีลเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างหยาบและสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลาง ปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดจะกับพูดได้แต่ไม่เข้าใจเมื่อมาปฏิบัติตอนนี้ก็เลยเป็นตอนเท้าไปเนี่ยจะพูดให้ฟังเมื่อกี้นี่คือว่ารู้จักอันนี้แล้วก็เลยเป็นนอนไปนอ น, น, อนตอนเช้ามาตื่นออกมาก็มาทำท่ากันล้างหน้าแล้วก็แปรงฟันกันทำอย่างที่เราทำก็นนี่แหละติดเทียนไขออกมา มาเดินจงกรมมีตะขาบตัวหนึ่งแลนทานหน้าไปตะขาบกลับมันเก็บข่าวนั้นแต่เมื่อไม่ได้ไปทํำวิปัสนาไม่ได้ไปทําอันกรรมฐานแบบนี้ดอกแต่ก่อนเคยทําปุทโธมาเห็นตะคาบมาก็เลยไปเอาเทียนไขตามตัวตะขาบไปไม่เห็นตัวตะขาบแล้วกลับเอาเทียนไขมาใต้ใบที่เดิมก็เลยมาเดินกลับไปกลับมา ไม่นานอะไรนี่ก็ได้ไม่นานก็เลยปรากฏเห็นสินเข้าใจจริงๆแต่ว่าไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยนั้นไม่ใช่เป็นสินอันนั้นแต่สินที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตใจนี่ว่าสีขันสมาธิขันปัญญาขันเนี่ยเข้าใจเป็นอย่างดี้มันก็เลยเข้าไปตรงเอากับตำลับตาลาที่เราเคยได้ยิน ได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปู่ย่าตาทวดเคยเล่าให้ฟังเมื่อกิเลสอย่างยาบลดไปเลือหนีไปเืยไม่เข้ามาสับส่วนวุ่นวายจึงจะเห็นสินมันมีอยู่ในคนขันก็ไปว่าต้อสู้ไปว่าลองนับเนี่ยมันเข้าใจไปอย่างไรไม่เหมือนกับว่าขันกุ้มกองอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นคำพูดคือต้อสู้ประสักต่างๆ ขันเนี่ยคือต่อสู้หนักต่อสู้เบานี่ว่าขันต่อสู้รองรับรับได้เขาจะยกจะยอ ง, ยงก็รับได้เขาจะนินทาก็รับได้โอ้ไม่ทุกเกิดขึ้นให้ใจเราอยู่ในฐานะเป็นปกติเมื่อจิตใจเราเป็นปกติแล้วคนนั้นจะมายกยอ ง, งเราเราก็เห็นใจเรา คนนั้นจะมาตามําหนิเราแล้วก็เห็นใจเราเพราะเราควบคุมกายวาจาใจเราอยู่อย่างนี้มันเห็นเมื่อเราเห็นนี่แหละควรไม่เห็นมันหนีไปนึกว่าเราออกจากถ้ำมาได้เราไม่ต้องใต้ไฟบันนี้แต่ในขณนะที่เราอยู่ในถ้ำเราต้องใต้ไฟบันนี้เราออกจากถ้ำมาแล้วเราไม่ต้องใต้ไฟ มันเป็นความสมมุติพูดให้ฟังออกจากข้มก็หมายถึงเราเห็นเรารู้เราเข้าใจปกติกายปกติวาจาปกติใจความปกติความปกติอย่างนี้เราเห็นอย่างนี้แหละก็เรียกว่าศินสินแปลว่าปกติคือเรามีปกติในขณะไหนเวลาใดแล้วนั่นแหละคือมีสินในขณะใดเวลาใด วินาทีใดก็ตามเมื่อเราไม่เห็นจิตใจเห็นเราเป็นปกติอันนั้นก็เรียกว่าสินดอกแต่ว่าศินอยู่ที่มืดไม่ใช่ศินเป็นอยู่ที่สว่างไม่ใช่สินอยู่ที่การแจ้งแต่ว่าสินอันนี้ไม่เหมือนกับศินห้าสินแปดสินสิบก็เลยเข้าใจว่าโอ้เราไปยุดศินห้าสินแปดสินสิบที่เคยถือมาเคยรักษามาอันนั้นเข้าใจว่ามันหนัก ควหนักอกหนักใจนั่นอันนั้นคือมีอุปาทานมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเข้าใจอย่างนั้นยินั้นการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันรวมเข้ามาคือการเห็นแจ้งนี่เองอันนี้เรียกว่าเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคํำวิปัสสนาเนี่ยคําว่าวิปัสสนานมันต้องมีอารมณ์แต่อารมณ์เรียนมาจากตํำรับตำรานั่นดีแล้วแก่ใจมันยังไม่รู้ ให้ใจมันรับรู้คือตัวของมันเองมันจะรับรองตัวมันเองมันเป็นอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยรู้ว่าเออศินมันเป็นอย่างนี้มันก็ไปตรงกับที่วาอธิศินสิขาอธิกิตตสิขาอธิปัญญาสิขาตำลาท่านกับสอนเาว่อแต่ว่าตอนเห็นตอนรู้เนี่ยมันเห็นไม่ได้ตรงกับอ น, นันตแต่มันก็ตรงกับอ น, นันต์ได้เขาจอย่างไร เมื่อรู้สิ่งเหล่านี้ก็เลยนำมาพูดมาคุยมาสอนกันมาได้ใครพี่พี่น้องน้องหนือพ่อแม่เพื่อนฝูงคนใดสนใจก็ต้องแนะนำให้ทำแต่วิธีอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหลักตาลืนตาทำไปไหนมาไหนก็ให้เห็นในการฟังเสียง นี้ดินทาภอากลางเรียวเอาศีลาไปทับหญ้าหญ้ามันเกิดขึ้นไม่ได้ตำลาท่านพูดเอาไว้อย่างนั้นแต่ความจริงหญ้าเกิดขึ้นไม่ได้จริงๆเอาหนินเอาศิลาไปทับไรแต่ตดินมันสุ้มมันเย็นในขณะนังอยู่นั่นน่ะมันไม่โกรธไม่เกลียดจริงๆพอดีออกมาสู้กับพรรคพวกหลายคนคนนั่นพูดคนนี้พูด สิ่งที่ไม่พอใจมันก็ตึก๊กมันหนักเอาออกไม่ได้อันนี้อันนี้แสดงว่าสงบแบบนี้สงบแบบไม่เห็นแจ้งแบบไม่รู้จริงแต่มันก็สงบเหมือนกันสงบของสมถะกรรมาฐานจะเป็นอุบายให้สงบจิตในเท่านั้นเองก็ดี <c oughs> ไม่ใด่ไม่ได้ดีดีแบบนั้นตอนวิปัสสนาเนี่ยสงบแบบเห็นแจ้งเห็นจิตใจกาลังมันนึกมันคิด หรือมันจะพูดจะคุยอย่างที่ตัวของผมหรือตัวอาตมาพูดดิเนี่ยมันก็เห็นอยู่อย่างนี้เห็นจิตเห็นใจตัวเองไม่ใช่ว่าตานี่เห็นใจอาตานี่เห็นก็ได้แต่ใจมันเห็นใจมันรู้ใจมันเข้าใจปัณนานั้นมันเป็นอารมณ์เป็นพักเป็นพักหรือวายานเนื้อาสารหรือว่าอย่างไรเข้าไปรู้คือตัวปัญญาเข้าไปรู้เอง หรือว่าตัวอินทรีย์เข้าไปรู้เองเรียกว่ายานปัญญาเข้าไปรู้หรือว่ายานเข้าไปรู้ยานเข้าไปรู้เราไม่เห็นขึ้นในขณะที่เราเกิดความรู้ขึ้นมาอันนั้นนั่นเรียกว่ายานเข้าไปรู้เข้าไปรู้แล้วเป็นอารมณ์ขึ้นมาเมื่อเป็นอารมณ์ขึ้นมาจิตใจก็เลยเปี่ยนไปตามลำดับเมื่อเห็นอันใดแล้วอันนั้นก็ต้องหายไปหรือจืดไปเหมือนกับปิง ที่มันเกาะเรามันกินเลือดเราเราดึงมันไม่อยากออกปิ่งเนี่ยเรารู้จักวิธีมันแล้วเอาอยากับปูนไปผปสมกับน้ําเมื่อเอาอยากับปูนไปผสมกับน้ําเอาน้ํากับปูนยาเนี่ยมาบีบลงในเนื้อเราพอดีน้ํำยากับน้ําปูนมันไปถึงปากปิงเมื้อไปถึงเนื้อปิงปิงมันก็ล่นล้นลูดเข้าไปทันทีอันนี้ก็เหมือนกันพอดีเราเห็นแล้วโควม ยึดมั่นถือมั่นอันอุปาทานนั่นนะ่ะมันจะคอยจางไปงทันทีให้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่นะ่ะดังนั้นพวกเรามาปฏิบัตินี่ไม่ใช่จะปฏิบัติเพื่อว่ารู้แล้วไม่เอาไปใช้ไม่ใช่อย่างนั้นโดยมากเรามาปฏิบัติธรรมะแล้วพูดได้คุยได้แต่ไม่เอาไปใช้กับการกับงานบางคนแต่ความจริงเนี่ย ตัวของผมตัวของอาตมาเนี่ยปฏิบัติเห็นรู้เข้าใจแล้วเอามาใช้กับการกับงานเอามาใช้กับข่าวนั้นก็เรียกเป็นพอบ้านเรียกว่าเมียเอามาใช้กับลูกกับเมียทำการทำงานได้ดังนั้นความรู้อันนี้จึงว่าเอาไปใส้ได้ทุกวิธีเพราะทำการทำงานโดยไม่ยึดไม่ถือโดยที่ไม่ว่า คนนั้นมายกเราคนนี้มาเกียรติเราไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคือว่าเราทํางานเพื่องานเท่านั้นเองงานของเรานะี่ยเมื่อเราทํามันดีๆแล้วงานมันก็สําเร็จลุล่วงไปได้เมื่อเราทําการทํางานโดยที่พอใจไม่พอใจแล้วงานนั้นจะหกขักหรือวไม่สะดวกไม่สบายมันจะเบื่อจะนายไปเป็นอย่างนั้นก็เลยเอามาพูดมาสอน เพื่อนเพื่อนร่วมกันเกิดแก่เจ็บตายว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นอามรมณ์รู้ยังไม่ถึงที่สุดของทุกแต่มันรู้ทุกแต่มันยังไม่ถึงที่สุดของทุกวันนี้ก็จะพูดกันไปทนอดขั้นฟังไปเพราะว่านานๆจะได้มาพบกันการรู้อย่างนี้ยยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางพูดตามความจริงใจนะนี่ใครจะพูดยังไงก็ตามและ ก็ต้องพูดความจริงใจเพราะว่าเราต้องการเพื่อให้ทุกคนได้ยินได้ฟังและจดจำนําเอาไปปฏิบัติรับรองว่ามันมีอยู่ในคนทุกคนทุกคนคงจะเคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียไม่แต่เป็นคนไทยพูดก็ต้องพูดภาษาอินเดียคนไทยจะไปแปลภาษาอินเดียนั่นมาเป็นภาษาไทยก็ต้องเป็นขมยาก บางทีแปลผิดมาก็ผิดแปลทุกมาก็ทุกเมื่อแปลผิดมาแล้วเอาไปปฏิบัติผิดผลออกมาก็เลยไม่ได้รับความสุขถ้าเราแปลถูกต้องเราเอามาปฏิบัติถูกต้องผลมันออกมาก็ต้องได้รับความไม่มีทุกนั่นเป็นอย่างนั้นจําพวกกาบมั น, นก็เลยเห็นรู้เข้าใจ คำว่ากามไม่ก็หมายถึงจะพวกเป็นเทวดาหรือเป็นพระอินทร์พระพรหมเหล่านี้แหละหรือจะเปรียบสมมุติว่าพวกเรานี่ก็ได้คนใดยังมีความตัณหหรือมีความคิดง่วงใยกับสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่าบุคคล น, นั้นยังมีกามก็เลยรู้จักกามไม่เป็นความทุกข์นำความสับสนวุ่นวายขึ้นมาบางเล็กบางน้อย นี่ว่กกากรมาสาวะตกอยู่ในอาสวะคือก่ามนั่นเองการเกิดการแก่การเจ็บการตายทุกบ้างสุขบ้างาเป็นเทวดาคนมีเงินมีทองมีอำนาจก็มีทุกขมีสุขเข้าใจอย่างไงมันเป็นอารมณ์ที่เห็นรู้เข้าใจย่างไงจำพวกที่ภวาสาวะว่าไก็มีพบมีทราบ คนมีภพมีชาติก็ต้องเกิดแก่เสียตายด้วยกันอันนี้มันเป็นวัตถุแต่สำหรับจิตใจบันดีใจเสียใจมันก็เป็นพบเป็นาชาตเส้นเดียวกนันเข้าใจอย่างนั้นอนวิสาสาวะบันดีอวิสาก็คือความไม่รู้เมื่อไม่รู้เลยจึงทำอันนี้เรียก ว, วัตตะสงสามวัตตะคือวงกลม มัตสสงสารยืนยาวนานสําหรับบุคคลผู้ที่ไม่รู้ทำใช่ไหมแต่บุคคลที่รู้ทำเนี่ยมันสั้นมันใกล้เป็นอยังไงแบบ น, นี้ทางยาวไกลสําหรับบุคคลเดินทางที่มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าแล้วก็ห้าของหนักเจ็ดคิดเอาแล้วทางสิบสองกิโลคนที่ไม่มีของหนักเดินมีเพื่อนไปด้วยกันคุยกันเต๊บเดียวถึง แต่คนที่ถือของหนักเหน็ดเหนื่อยเมื่อนานั้นเดินไปไม่ถึงเป็ดอยากให้ถึงก็ไม่ถึงเพราะมันเหน็ดมันเหนื่อยไปอย่างนั้นกลางคืนกลางวันกลางคืนนานแจ้งกลางวันนานคำสําหรับบุคคลผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนอนไม่หลับทันวันอย่างนั้นแต่ความจริงเราเคยไปเฝ้าคนเจ็บคนไข้ยอดึงญาติญากิาแล้วนะ มันกับคนที่นอนหลับแป๊บเดียวสว่างขึ้นมาเลยเป็นยังไงกลางวันเหมือนเดียวกับมืดแล้วทําการทํางานนิดเดียวงานไม่พันตึกทันแล้วก็คั่มไปแล้วไ ม, ไม่เข้าใจอย่างนั้นอันนี้แหละที่เราไม่เข้าใจคําพูดของพวกเราที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้กคำกูเวนกูเนี่ยบ้านหลวงเพราว่ากูว่ามือ กรรมกูเวนกูกรรมาจะกซาดใดหนใดไม่รู้เวนมาจากคิดพบคิดซาดเรื่องไม่รู้นึกว่าตัวเองสร้างพบสร้างซาดมาหลายกลับหลายกันเข้าใจอย่างนั้นจริงๆต่อเมื่อมาเข้าใจอย่างนี้อันนั้นมันเป็นคำพูดคนไม่รู้จักทุกจึงทําทุกได้ถ้าหากรู้จักทุกแล้วคนมันต้องเบื่อหน่ายในทุกมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เลย เห็นรู้เข้าใจว่าการทําบาปหรือว่าทําบุญก็ได้ทําบาปด้วยกายทำํำแต่กายอย่างเดียวนะถ้านรกมีจริงนะไปตกนรกผมไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นตัวเองรู้เองอันนี้เลยว่าสันธิปโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองเข้าใจอย่างนี้จึงว่า ไม่เก้อเขินจะพูดเวลาใดก็ได้อารมณ์อันเนี้ยเพราะมันเห็นอย่างนี้เพราะจิตใจมันเป็นอย่างนี้บัด น, นี้ทําบาปด้วยวาจาแต่มือเท้าไม่ทําแต่เพียงคําพูดเท่านั้นเองถ้านารกมีแล้วจะไปตกนรกหมไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอย่างนี้บัด น, นี้กายไม่ทําคําพูดไม่พูดจใจมันคิดมันเนี่ย คิอิดสารนิสขยะเดียดเดียนคนนั้นคนนี้เรียกว่าคิดไม่ดีนั่นแหละตายไปแล้วไปตกนรกขุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนเข้าใจเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้นั่งอยู่อยู่นี้ก็เห็นอยู่อย่างนี้เข้าใจอย่างนี้แล้วบันนี้เป็นสามอันเลยบันนีบันนี้เอา้ามือก็ทําชั่วคําพูดก็ทําชั่วใจก็คิดชั่วรวมกันเข้าบันนี้ ถ้านรกมีจริงอวิชีบีจริงตายไปแล้วไปตกนรกขุมไหนอนวิชีคุมไหนนานกี่ปีกี่เดือนอนีน้เห็นอันนี้รู้อันนี้เข้าใจอันนี้จริงจริงนั่นเป็นอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามมันไงทําดีนี่ว่าทําบุญเอา ก, กายเนี่ยไปทําทำแต่กายอันเดียวสวรรค์มีจริงได้ไปเกิดเมืองสวรรค์สั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนเข้าใจอย่างนั้น วันนี้กายไม่ทำคำพูดนี่พูดอ้อนหลานเพราะหูคนดีถ้าหากสวรรค์มีจริงตายไปเกิดเมืองสวรรค์สั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนกี่วันเห็นรู้เข้าใจอย่างนี้วันนี้ใจคิดบันนี้ใจคิดจะดีแต่มือไม่ทำคำพูดไม่พูดคิดจะดีเท่านั้นเอง ถ้าหากสวรรค์มีจริงลราตายไปเกิดเมืองสวรรค์สั้นไหนนานกี่ปีกี่เดือนเข้าใจอย่างนี้บัดนี้กายก็ทําคําพูดก็พูดดีใจก็คิดดีรวมกันเข้าทําดีทั้งหมดตายไปเกิดสวรรค์สั้นไหนถ้าไม่มีจริงอะไปยุบเมืองสวรรค์เมืองอินเมืองพรมสั้นไหนกี่ปีกี่เดือนเข้าใจอย่างนี้อันนี้แสดงว่าการรู้อย่างเนี้ยมีในคนทุกคนจึงไมย่ยกเว้น เมื่อรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แหละจําพวกกรรมเนี่ยรู้มาจริงใช่ไหมกรรมกูเวีนกูผู้มีลูกมีหลานหลายคนอาจจะได้พูดอย่างนี้ไม่มากก็น้อยถ้าลูกหลานติดตามไปโอ้ยกรรมกูกรมามากแท่เนาะเนตัวเองสร้างเลยไม่รู้เลยหลวงพ่อถ้ารู้มาตั้งแต่ตัวเล็กๆไม่ทําจริงๆไม่ให้มีกรรมมีเวีจริงๆ อันนี้ไม่รู้เพียงรู้จําเนี่ยยังใส่ไม่ได้รู้จักรู้จําใส่ไม่ได้ต้องรู้แจ้งรู้จริงเหมือนกับปิงทึกปูนนี้เองเห็นยงไหพอดีเห็นรู้อย่างนี้แหละเข้าใจอย่างนี้แหละร่างกายเนี่ยมันจะหดเข้าสุสภาพเดิมของมันเหมือนกับตัวปิ่งนี้ เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวของผมตัวของอาตมาตอนเสารเดินไปเดินมาจิตใจมันเข้าสู่สภาพของมันจริงๆเมื่อนางกายเข้าสู่สภาพของมันดีแล้วก็ต้องเห็นต้องรู้ต้องเข้าใจที่เพราะตัวเองเป็นตัวเองก็ต้องรู้คนอื่นจะมารู้กับเราได้อย่างไรใจของเรามันเข้าสู่สภาพของมันแล้วคนอื่นจะเห็นใจเราเข้าสู่สภาพได้ไหมไม่เห็น จะเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้เฉพาะตัวเองเท่านั้นดังนั้นวิธีทําอย่างนี้นะ่ะเคยได้ยินคูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแต่เราไม่รู้เพียงรู้เข้าหูเท่านั้นเองมันก็เลยไม่รู้ความหมายเมื่อรู้อันนี้มันเข้าสู่สภาพอันนี้แหละก็เลยรู้อ่ะพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพูดกับคนอินเดียว่าสัตว์ทั้งหลาย คือเราตถาคตสักทั้งหลายเหมือนกับเราตถาคตพ่พอแม่ก็เคยเล่าให้ฟังครูบาอาจารย์ก็เคยเล่าให้ฟังเรื่องนี้เราก็นึกไม่ถึงว่าเอ๊ะทําไมเราจะคือพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าต้องมีคนมีบุญมีวาสนาบารมีสร้างสมอบรมมาหลายศาตรแล้วเนี่ยเข้าใจไปอย่างนั้นซะมันเลยไม่เข้าใจควอมจริงนี่ ต่อมาตั้งแต่วันนั้น่ะวันสุดท้ายวันนั้นไม่เก้อเขินใครจะพูดยังไนก็ตามเถอะมันเป็นเรื่องสมมุติสมมุติเอามาพูดให้คนฟังปั้นขึ้นมาให้เป็นตนเป็นโตขึ้นมาเท่านั้นเองอันนี้แหละความจริงที่พูดให้ฟังมาตั้งแต่มาอยู่ที่สำนักโมกขาวานารามนี่พูดเรื่องนี้มาเปิดอบรมทุกปีว่าอย่างนี้ให้ฟังทุกปี แต่เมื่อไม่ได้มาระยะป่วยวันนี้แหละก็เลยไม่ได้มาวันนี้ก็นํามาเล่าให้ฟังเช่นเดิมดังนั้นคนทุกคนนี่แบบเหมือนกันแข้งขาหน้าตามือเทา้าเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าแต่สูงดำตัําขาวไม่เหมือนกันแต่แข้งขามือเทา้าขันห้านูกเวทนาอันใดอันใดมีเหมือนกันทั้งหมดเลย เนี่ยก็คือกันทั้งหมดเลยต่อเมื่อพระพุทธเจ้ายัางไม่รู้ก็ส่อแสวงหาหลายแบบหลายวิธีที่พระองค์ได้ปฏิบัติมาให้ทานรักษาสินแม่ววดเข้ามาเป็นพระสงฆ์โดยเป็นสมณาเทศก็บวชเข้ามาก็ยังไม่รู้อันนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจยังไม่ได้พูดในอริยสัจให้ฟัง แต่เราก็เลยว่าอริยสัจอันนั้นเป็นสัจจะอย่างนั้นอย่างนี้เราพูดกันแต่มันจริงจริงเพราะเรายัางเข้าใจแบบนั้นมันก็ต้องสอนแบบนั้นไปก่อนบัด น, นี้พระองค์ได้มาทำกรรมาฐานกับอาจารย์ืเอว่าอารารดาบธุตการดาบทสองอาจารย์นี้จนได้สมาบัติแปดได้สมาบัติเจ็ดนั้นไม่ต้องพูดอันนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า ต่อจากนั้นเห็นว่าทางนี้เนี่ยยังไม่พ้นทุกหนักทุกยังไม่ได้แก้ปัญหาตัวเองยังไม่ได้ก็ลาอาจารย์หนีมาเมื่อลาอาจารย์หนีมานั้นข่าวนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเพราะบุคคลคนนี้แหละได้แสวงหาถาคนทุกเมื่อไม่มีทางไปแล้วก็จําเป็นคิดว่าเป็นนํากินข้าวเป็นนํากิน อาหารการกินทุกอย่างและเป็นนำการพูดการคุยกันนี่แหละกิเลสมันยังมีเข้าใจจย่างนั้นเมื่อไม่มีครูไม่มีอาจารย์เราคิดถึงอย่งางนั้นก็ทําไปด้านนี้ไม่อดเหมือนกันเพราะว่าคนไม่มีที่พึ่งก็ต้องทําไปเหมือนกันนั่นแหละก็เลยบอดข้าวไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่พูดไม่คุยกันทุกคนพอที่จะมองเห็นภาพ เมื่อมีแต่หนังเอ็นกระดูกรัดดึงกันเอาไว้น่ะเห็นรูปภาพเคยเห็นบ่อยๆ อ, อันเนี้ยอาตมาเคยเห็นที่ทำเป็นลูกแป้มไปในฝาผนังสีนก็มีเนี่นย่า็นังไอันนี้ก็แสดงว่าเหมือนกันกันกบพวกเราที่ยังไม่รู้เพราว่าจับอันนั้นมาก็ว่าถูกต้องหาว่าพระพุทธเจ้าทำเนี่ยอันนั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าทำ ดังนั้นการพูดการสอนอาตมาจึงไม่เหมือนกับอย่างที่เคยทํามาแต่เมื่อก่อนเมื่ก่อนนั้นสอนให้คนทําบุญมากๆสอนให้ทําคนสงบมากๆสอนอย่างนั้นสอนลูกสอนเมียสอนพี่สอนน้องสอนให้บอกพ่อตาแม่นายเคยสอนอย่างนั้นมาต่อเมื่อมารู้อันนี้แล้วไม่ต้องพูดเรื่องนั้นแล้วเพราะว่าทุกคนได้ทํามาแล้วเรื่องการตักบาตให้ฐานรักษาศีล ทำความสงบนี่ทุกคนต้องทำมาแล้วไม่มาก่อนน้อยอันนี้พูดตามเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังนี่ก็เลยมาคิดถึงโอ้ขนาดนี้แล้วไม่มีใครจะทำเหมือนเราเข้าจินเข้ากับเมล็ดงาไว้าจางนั้นนะไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เลยมาคิดใช้สติปัญญาแอดูจะตายทิ้งโดยที่ไม่รู้ธรรมะ โดยที่ไม่ได้หลุดพ้นไปจากขวมทุกเหล่านี้ก็เลยมาคิดเนี่ยกินผลลไม้เรียมากขามป้อมากสมอบ้านเราเรียกว่าอย่างนั้นเมื่อกินผลลไม้มากขามป้อมากสมอเนี่พวกปัญจวคีต่างห้าก็เห็นว่าพระองค์เนี่ยขาวนั้นยังไม่ได้เป็นพระองค์นะโอ้ยคงจะไม่ได้สำเร็จไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดอกทิทาเนี่ยหายขุมเพียเรเวียนมาม า, มากๆแล้ว พวกปัญจาวาคีทังห้าก็คูดคุยกันก็หนีไปเจ้าชายทิด ถ, ถากุมมา ก, ก็เดินโซเซไปคนเดียวยินมะขามพ่อมะกสมอไปอก็เลยไปพบเอาได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์ล่าฟังว่าพบเอานางสุดสดาเอาเข้าไปปวงสวงเทวดาการปวงสวงอ้อนวอนขอร้องอย่างที่พวกเราทำกันทุกวันนี้ก็มีมาก่อนแล้วอันนั้นไม่ใช่เป็น พระพุทธศาสนาเป็นเพียงศาสนาเท่านั้นศาสนาจึงแปลว่าคําสั่งสอนของท่านผู้รู้สอนให้คนละซั่วทําดีอันนี้เป็นศาสนาพุทธศาสนากับศาสนาจึงไม่เหมือนกันนะเข้าใจอย่างนั้นก็นมกินข้าวนางสุสดาเนี่ยเนื้อหนังสมบูรณ์ดีที่เราเห็นพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้นั่นเดี๋ยวเนื้อหนังอ้วนๆสมบูรณ์ดีกินข้าวแล้วก็เลยเอาทาสหรือเอาขันนี่แหละ ท่นเล่ให้ฟังไปอธิษฐานตามริมแม่น้ําำกินข้าวแล้วก็ถามนางสุดสดาว่าจะถวายตั้งแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งท่าทั้งหมดนี้ถามนางสุดสดานางสุดสดา ก, ก็เลยบอกว่าถวายทั้งหมดไม่เอาอะไดกลับคืนแล้วพระองค์ก็สันข้าวดีแล้วกว็มีเนื้อมีหนังสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละลูกงามลูกสวยแล้วกว็เลย จะเอาขันนั่นไปไปอธิษฐานอ่ะถ้าข้าพระเจ้าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าข่ากิเลสตายข่ายกิเลสหลุดเอาชนะทุกได้จริงๆวางขันหรือธาตุอันนี้ลงบนผิวน้ำนี้ให้มันทวนกระแสะของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ําำาอย่างนี้ในทางตรงกันข้ามหากว่าจะเอาชนะทุก์ไม่ได้ข่ากิเลสไม่ได้จะไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆ ไม่ดับทุกได้จริงๆวางลงผ้าเนื้อขันใบนี้ลงบนผิวน้ำให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำว่าอย่างไรพอดีวางลงไปแล้วขันท่าจะกวนกระแสขึ้นไปถึงต้นน้ำนี่น ไ, ไปจมลุงหัวกร ะ, ะนาคที่ไหนของอันนี้ถ้าพูดไตกับอาตมาจาไม่ค่อยได้อันนี้แต่เพียงพ่อแม่ครูบาจารใอ้ฟัง กัลนาคก็เลยรู้ว่าโอ้สิธาตุนี่ตัดสโลเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรานอนยังไม่ตื่นว่าอย่างนั้นอันนี้ก็แสดงว่าพวกเราเนี่ยยังนอนหลับทับิีกันอยู่มากยังไม่ตื่นตัวขึ้นมาแต่พวกเรามาที่นี่ก็เรียกว่าตื่นตัวก็ขึ้นมาแล้วแต่คนที่ยังไม่เคยไม่ได้ยินไม่เคยได้ฟังนั่นก็แสดงว่านอนหลับทับศิกไม่ตื่นตัวเหมือนกันกันกบกัลนาค์นอนอยู่นั่นเองเนี่ยเป็นอย่างนั้น พอดีพระองค์เห็นขันทวนกระแสขึ้นไปต้นน้ำก็เลยขึ้นมานั่งอยู่ต้นใกล้ๆกับต้นโพอย่างนั้นอาศัยต้นโพอย่างนั้นภาวนาทางจิตทำธุระทางจิตนี่ก็เลยได้ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าสามารถมองเห็นอะไรอะไรได้ทุกอย่างว่าอย่างนั้นก็เลยสามารถมองเห็นกรรมเห็นเวรตัวเอง กี่พบกี่ราบนะก็ต้องรู้ออันนี้แหละเราไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจแล้วก็เหมือน ก, นกันกับคนตาบอดหรือคนอยู่ในถ้ำคนตาบอดได้เดินไปไหนมาไหนก็โซเซสนระสนตอลงคูลงคลองไปบางทีก็เจ็บบ้างบางทีก็ไม่เจ็บเป็นธรรมดาคนมืดอยู่ในถ้ำถ้าไฟดับ ก็ เ, เลยไม่รู้ทางไปอันศึกษาเล่าเรียนจากตำลับตำลาฟังคูบาอาจารย์แนะนำมานั้นดีแล้วแต่มันยังไม่เข้าใจมันยังตัดศีนไม่ได้เพิ่งตัวเองไม่ได้ตัดกนตัดเวทไม่ได้เป็นอย่างนั้นที่พูดวันนี้ก็พูดให้ฟังด้วยความจริงใจคนใดชอบนำไปปฏิบัติพระองค์ท่านว่า สัตวทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายทำอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้อย่างเราตถาคตนี้ก็จะเห็นอย่างเราตถาคตนี้ก็จะเป็นอย่างเราตถาคตนี้ยังไงถ้าเราไม่ทําตามพระพุทธเจ้าเราไปทําตามแบบโบราณ หรือพอแม่ปู่ย่าตายายเราสอนมาอันนั้นดีแล้วแต่เราไม่กล้าเท้าขึ้นไปเราทําเพียงแค่นั้นมันก็เลยไม่ถึงจุดนี้เราจึงไม่ได้ทําตามพระพุทธเจ้ามันจึงไม่เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไ ว, ว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตคําว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นตถาคตนี่ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์มนุษย์นี่เอง เมื่อบุคคลใดเห็นรู้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยจะไม่มีทุกข์เหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าแตงว่าเป็นพระตาคตนน้อยๆไม่มีความทุกข์เหมือนกันกับพระพุทธเจ้านั่นเองก็สา ม, มารถที่จะตัดกรรมตัดเวนได้บุคคลใดมาถึงจุดนี้แล้วก็ตัดกรรมตัดเวนได้จริงๆรับรองว่ามันเข้าสู่สภาพของมันแล้วต้องตัดได้ ต่อเมื่อยังไม่เข้าสู่สภาพของมันมันกนอย่างไหนลุกก็ยังดีทันวะเพราะพ้ า, พพาโสดาบันบุคคล น, นั้นยังมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกกันวอย่างไงแต่คำว่าตามประเพณีีโลกก็ต้องทาํานาทําสวนซื้อขายมีครอบครัวแต่เมื่อบุคคลใดประพฤติปฏิบัติเข้าสู่สภาพเดิมของมันนะก็เป็นคนเหมือนกันแต่บุคคล น, นั้นตัดกรรมตัดเดินได้ ไม่มีกคำ ม, มีเวรเพราะเห็นกรคำเห็นเวรจริงๆแล้วไม่ใช่พูดเสยๆอันที่เราพูดนั่นโอรคำกูเวรกูมาเบือ่อบาน่ายคาพูดมันพูดได้แต่ใจมันไม่เบื่อเลยใจมันไม่หน่ายเลยคําพูดมันพูดได้พูดร้อยคำพันคํำมื่นคํำแสนคําสู้การกระทําเข้าไปเห็นเข้าไปรู้อันนี้ครั้งเดียวไม่ได้เมื่อบุคคลใดมีศรัทธา เลื่องใสในการพูดการสอนของพระพุทธเจ้าล้วต้องทาจริงพูดจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นจริงรู้จริงเข้าใจจริงสัมผัสได้จริงในศาสตร์นี้แหละไม่ต้องศาสตร์หน้าศาสตต่อไปคำว่าปลารมีตัวเองไม่เคยรู้ปาระแปลวพร้อมมาจมีคือมันมีในคนทุกคนไม่ยกเว้น จะเป็นคนไทยก็ตามเป็นคนจีนก็ตามเป็นคนฝรั่งเศสเป็นคนอังกฤษเป็นคนอเมริกาเป็นใครก็ตามไม่ขอให้เป็นคนถือศาสนาไหนนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามรับรองว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนอันนี้แหละเรียกว่าสัจจะคือความจริงเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะรู้จะเห็น ก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้ไม่เห็นก็ต้องเป็นอย่างทุกคนต้องประเสริฐหน้าจริงๆเคยพูดเคยกล่าวกันมาหลายครั้งแล้วทุกคนต้องไปที่นี่ไม่มีทางไปเลยแม้จะทําบุญให้ทานรักษาศีลมากๆก็ต้องไปที่นี่คนใดยังไม่ทําบุญไม่ให้ทานไม่รักษาศีลก็ต้องไปที่นี่ไปที่ไหนก็ต้องตายทุกคนไม่ยกเว้นเรือ่องการตายเนี่ยแต่ก่อนที่จะตายขอให้เราได้พบ กับสิ่งเหล่านี้คือมันจะเป็นสมบัติของมนุษย์จริงๆแม้จะมีเงินจากมื่นล้านแสนล้านก็ไม่เท่ากับสิ่งนี้เลยดังนั้นการฟังธรรมะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของบุคคลผู้ที่สนใจจริงๆวันนี้ก็ตั้งใจพูดเอาแต่นเนื้อล้นล้วนมาเราให้ฟังตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคนขี้เกียจเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เป็นคนจนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนรวย แต่ไม่เคยเป็นหนี้คนไม่ห้ามต่างก็ไม่เคยเป็นหนี้เลยซื้ออะไรขายอะไรก็ซื้อทุกคนจริงใจพูดดกคนจริงใจแต่มันยังมีขมทุกเพราะปิงมันยังไม่ถึกปูนนั่นเองต่อเมื่อปิงทึกปูนทึกยาแล้วอ้มันเรื่องท่านี้เองเนีย่ยเข้าใจอย่างไงถอนผมออกมาข่าวนั้นมันผมหยาวเนี่ยดูลากผมโอ้อเอาถอนแล้วไปปลูกได้ไหมผมเส้นเนี่ปลูกใหม่ได้เลย